สูตรต่อไปนี้แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับอาชีวะของคฤหัตในด้านการสแสวงหาทรัพย์บ้างการใช้จ่ายทรัพย์บ้างความสุขที่พึงได้รับจากอาชีวะอันชอบธรรมบ้างนำมาลงไว้ประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะหลักธรรมเกี่ยวกับอาชิวะก็กอการสแสวงหาและการรักษาทรัพย์ในอุดเชยสูตรอังคุตรนิกายอตตกนิบาตครั้งหนึ่ง อุดชัยพราหมณ์ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราวทูลว่าตนจะไปอยู่ต่างถิ่นจะขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขปัจจุบันและธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขภายหน้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าดูกระพราหมณ์ทำสี่ประการ น, นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในปัจจุบันกล่าวคืออุทานสัมปทาอารักสัมปทา กัลยาณมิตรตาสมจีวิตาหนึ่งอุทานสัมปทาเป็นไนคือกุลระบุตรหาเลี้ยงชีพด้วยความขยันในการงานไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมก็ดีพาณิชยกรรมก็ดีโครกกรรมก็ดีราชการทหารก็ดีราชการพลเรือนก็ดีศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีเธอเป็นผู้ขยันชำนิชำนาน ไม่เกียจคร้านในงานนั้นประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอบสวนตรวจตรารู้จักวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้นๆสามารถทำสามารถจัดการนี้เรียกว่าอุตถานสัมปทา 2. อ, อารักษสัมปทาเป็นไนคือกุลบุตรมีโภกรัพั์ที่หามาไ ด, ได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขน อย่างอาบเหงื่อต่างน้ำเป็นของชอบรำได้มาโดยทาเธอจัดการรักษาคุ้มครองโภกกรทซั์เหล่านั้นโดยพิจารณาว่าทาอย่างไรราชาทั้งหลายจะไม่พึงริบโภฆะเหล่านี้ของเราเสียพวกโจรไม่พึงลักไปเสียไฟไม่พึงไหม้เสียน้ำไม่พึงพัดพาไปเสียทายาตอัปรีจะไม่พึงเอาไปเสีย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 ของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญานี้เรียกว่ากันดาณมิตรตา 4. สมชีวิตาเป็นไนคือกุลบุตรเลี้ยงชีวิตพอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่ให้ฟืดเครืองเกินไปโดยรู้เข้าใจทางเพิ่มพูนและทางลดถอยแห่งโภคกรัพย์ว่าทำอย่างนี้รายได้ของเราจึงจะเหนือรายจ่ายและรายจ่ายของเรา จึงจักไม่เหนื อ, อไรายได้เปรียบเหมือนคนช่างตาช่างหรือลูกมือคนช่างยกตาช่างขึ้นแล้วย่อมรู้ว่าหย่อนไปเท่านั้นหรือเกินไปเท่านี้ถ้าหากกุลบุตรนี้มีไรายได้น้อยแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟุ้งเฟอ้อก็จะมีผู้กล่าวว่าเอาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้กินใช้ทรัพย์สมบัติเหมือนคนกินมาเดือถ้ากุลบุตรนี้มีไรายได้มากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคือง ก็จะมีผู้กล่าวว่าเอาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้คงจะตายอย่างคนอนาถาแต่เพราะกุลบุตรนี้เลี้ยงชีวิตพอเหมาะนี้จึงเรียกว่าสมชีวิตาดูกระพรามโ์โภคะที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วย่อมมีช่องทางเสื่อมคืออบายามุกสี่ประการคือเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพนัน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 ปิดทางน้ำออกและฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อเป็นเช่นนี้อ่างเก็บน้ำใหญ่นั้นย่อมเป็นอันหวังได้แต่ความเพิ่มพูนขึ้นอย่างเดียวไม่มีความลดน้อยลงเลยทาสีประการเหล่านี้แหลย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขปัจจุบันแก่กุลบุตรจากนั้นตรัสแสดงธรรมคือสัมปรายิกตะสประการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเบื้องหน้า หรือประโยชน์ล้ำเลยตาเห็นคือศรัท ธ, ธาสัมปทาสีลสัมปทาจาคะสัมปท า, า, าและปัญญาสัมปทาสำหรับทมอันเป็นไปเพื่อสัมปรายิกทะ4ประการนี้ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่18ชีวิตและกุณธรรมพื้นฐานของอารยะชนตอนว่าด้วยกุณสมบัติของบุคคลโสดาบันซึ่งอยู่ในหลักอารยวัตหรืออริยวัตหประการ คือศรัทธาศีล ส, สุตะจาคะและปัญญา